เวลาอึดอัดมีความพลุ่งพล่านพยายามจะตั้งสติเห็นความอึดอัดไม่เที่ยงแต่ก็ไม่เห็นควรทำอย่างไรถ้าจะฝึกจิตต้องใจเย็นนิดนึงครับคนส่วนใหญ่เมื่อเกิดความพลุ่งพล่านจะมีสติเกิดขึ้นได้แว บ, บเดียวเห็นตอนที่กำลังทุรนทุราย แต่ถ้าเคยชินกับการรู้สึกถึงลมอยู่ก่อนแม้ทุรนทุรายก็เหมือนมีช่องให้รู้สึกถึงลมหายใจได้อีกประเด็นสำคัญคือเมื่อรู้ว่าอึดอัดใ น, นลมหายใจแรกเราจะสามารถเปรียบเทียบได้ทันทีว่าลมหายใจต่อมาความอึดอัดแตกต่างกันแค่ไหนอาจจะนิดเดียวแต่ถ้าสังเกตก็จะรู้ว่าต่าง ตัวความมีแก่ใจจะเกิดขึ้นทันทีที่เห็นความต่างแม้น้อยนิดเมื่อใดมีสติเห็นความไม่เที่ยงของความอึดอัดเมื่อนั้นจิตย่อมคลายย่อมวางย่อมว่างจากอาการฝืนแต่ถ้าลมหายใจแรกเรามองไม่เห็นก็แปลว่าโทสะมีกําลังเกินสติอยู่ครับถ้าตกลงกับตัวเองว่าจะฝึกจริง ไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีในที่สุดสติจะเกินโทสะไปเอง